เหมือนคนไม่รู้ตัวยกเอาแพสวักมาเทินหัวเดินไปเดินมาคราวเนี้จะให้ทำยังไงล่ะฉันชักใจไม่ดีย้ายที่มั่นของสติเปลี่ยนมากำหนดรู้เท้ากระทบแทนแต่ก็ได้ตระหนักในบัดนั้นว่าถ้าอสุภาสัญญาปรากฏชัดแล้วแม้แต่แวบเดียวจิตจะรู้สึกถึงความสกปรกในกายณตำแหน่งนั้นๆไม่จางไปง่ายๆอสุภาสัญญา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 เมื่อความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นพระปรากฏชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งการเดินและสิ่งแวดล้อมก็เหมือนหายหุนไปชั่วขณะบังเกิดนิมิตชัดว่ารอบด้านเป็นราวป่าฉันกำลังอยู่ในอัตภาพซอมซ่อแบบราทุดงเดินตายแสวงหาพระนิพพานอยู่ในป่าเขาแบบไม่ห่วงชีวิตนี่กระมังการระลึกชาติแบบฟุกฟุกคือเคยทากรรมฐานอย่างใดมามากในช่วงชีวิตก่อน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 คือรู ป, ปรพันณสันธานกายอันกําลังเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถเดินและในอิริยาบถเดินนี้สุกกรป๋กตั้งแต่ศีรษะจะดเท้าข้างในยัตทยานอยู่ด้วยตับไตไส้พุงและขี้เยี่ยวหาความสะอาดไม่ได้แม้แต่เท่าปลายก้อยเคยเห็นถุงใส่อื่อแล้วรู้สึกรังเกียจอย่างไรต้องรู้สึกรังเกียจกายนี้ยิ่งกว่านั้นเพราะไม่ใช่จะมีแค่อุจจาระ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 สัมมาสังกัปปะยังมีเรื่องของความดําริละพยาบาทและความดําริละการเบียดเบียนจองเวรคือทําจิตให้เป็นผู้ไร้พิษภัยต่อคนและสัตว์ซึ่งฉันก็หมั่นแผ่เมตตาเสมอเสมอตั้งแต่เดือนที่สองพอถึงวันนี้ความดําริทั้งในทางพยาบาทและเบียดเบียนจึงเหมือนสูญสลายหายหุนแทบไม่เหลือซากอยู่เลยจึงให้คะแนนตัวเองว่าผ่านสําหรับแง่นี้